Book two. n i n Tschra. Tschra. One. Kviris trebi. Kviris trebi. <coughs> n a n Orshabati. อรุษาบัติวันอังคารสามชาบัติสามชาบัติวันพุธอัตรชาบัติอชาบัติวันพฤหัสับดีขุตชาบัติขุตชาบัติวันศุ อารัสเกวีอารสเวีวันเสาร์ชาบาติชาบาติวันอาทิตย์กวีรากวีระเทเก่สัปดาห์อาทิตย์กวีรากวีระ ตั้งแต่วันจันถึงวันอาทิตย์อุรชาบัติดังกวีรัมร า, ารมเดอ ว, วันที่หนึ่งคือวันจันปีเวิรัเวลิดเรออุรชาบาัติย ว, วันที่สองคือวันอังคาร m e โ r e เมออร์เดร์ามาบทยวันที่สามคือวันพุธเมสามิเดรท์ชาบะทยเมามเชาบทยวันที่สี่คือวันพฤหัสบดีเมออทรเดรชาบะทยเมอทเดรุชาบะทย วันที่ห้าคือวันศุกร์เมฆุตตะเกปาร์สเกวียเมุเกปารสเกวียวันที่หกคือวันเสาร์เมฆุเซเกชบายเมเซเกชบา ย, าบยวันที่เจ็ดคือวันอาทิตย์ ฉันสวิสวหนึ่งสัปดาห์มีเจ็ดวันควีราชิอาริสสวิต้าวีราชิาวิตต์ได้ดรเรทำงานเพียงห้าวันชเว น, ช, ชเวนม่ х о о д ครูที่ได้ฟังชอบ์